เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรค่ะเป็นเรื่องของพี่ชายได้เล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดมีอยู่นะคะว่าในวันนั้นจะมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านญาติผู้ใหญ่ท่านนั้นก็คือทนายความค่ะคนที่ครอบครัวของเราได้ใช้บริการอยู่ทางทนายเขาก็บ่นว่าอยากกินเห็ดคุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อจากตลาดมาให แต่เนื่องด้วยว่าพี่ชายเนี่ยเขาเป็นคนหาของป่าเก่งแล้วก็ตัวพี่ชายก็เลยบอกแม่ไปบอกว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกเดี๋ยวช่วงตีสามตีสี่จะออกไปหาของป่าอยู่พอดีต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าตามชนบทเวลาดังกล่าวประมาณ 3, ตีสามตีสี่เนี่ยคือเวลาของชาวบ้านที่จะออกไปหาของป่ากันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อได้เวลาพี่ชายก็ไปกับลูกน้องของเขาอีกคนนึงก็ออกไปเก็บเห็ดกันตามละแวกแถวหมู่บ้านละค่ะซึ่งโดยปกติก็จะเป็น ป่าเห็ดของชุมชนแล้วก็จะขึ้นชุกชุมแต่ว่าในเวลานั้นกลับไม่มีเห็ดโผลมาเลยสักดอกหนึ่งพี่ชายกับลูกน้องก็เลยชวนกันไปเก็บเห็ดต่างหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านที่ว่านี้ก็อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านของเราหนักนะคะน่าจะสัก4ีกิโลเห็นจะได้ ทั้งสองคนก็เลยพากันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปค่ะซึ่งทางเข้าหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีสำนักสงฆ์ที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นตามแบบของวัดป่าชนบททั่วไปทั้ง2ได้จอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตรงทางเข้าวัดก็เพราะคิดว่าคงจะไม่เข้าไปลึกกว่านี้จะหาเก็บเห็ดแถวป่าบริเวณวัดนี้เนี่ยก็พอจะได้อยู่บ้างและก็เป็นไปตามคาดค่ะเห็ดที่เกิดบริเวณนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าขึ้นเยอะมาก ทั้งสองคนก็เลยเก็บเห็ดใส่ตะกร้าจนเต็มแล้วก็เกิดความคิดที่ว่าถ้าเห็ดมันเยอะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็เก็บไปขายพรุ่งนี้ด้วยเลยละกันทั้งสองคนก็เลยพากันเดินเข้าไปลึกมากกว่าเดิมซึ่งในขณะนั้นเองก็มีเสียงมาหอนดังขึ้นนะคะแต่ว่า พี่ชายเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้แถมยังมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่งมงายเมื่อได้ยินเสียงหมาหอนดังขึ้นพี่ชายก็พูดออกไปค่ะบอกว่ามันจะหอนอะไรนะักหนานี่มันตีสามตีสี่จะเช้าแล้วยังจะหอนกันอยู่อีก สิ้นเสียงพี่ชายพูดจบค่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรเนี่ยร่วงลงมาจากต้นไม้ทั้งสองก็เลยรีบส่องไฟไปดูเพราะว่าในใจเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นลูกขนุนที่ร่วงลงมาจากต้นแต่พอเดินเข้าไปดูกลับไม่มีอะไรค่ะพี่ชายก็เลยพูดออกไปเชิงท้าทายไปบอกว่าอย่ามาล้อเล่นนะถ้าเป็นผีก็ให้ออกมากูไม่กลัวมึงหรอก ทันใดนั้นเองค่ะต้นไม้ต้นนั้นก็สั่นเหมือนมีคนมาขยม่มพอส่องไฟขึ้นไปดูกลับไม่เจออะไรพี่ชายก็ยังคงพูดเหมือนเดิมบอกว่ามาเลยนะอยากจะเห็นเหมือนกันเกิดมากก็ยังไม่เคยเห็นผีเนี่ยพูดจบแค่นั้นละ่ะพี่ชายก็เดินก้มหน้าก้มตาหาเหตุต่อไปแต่ว่าลูกน้องของแกตอนนั้นนี่ยืนตัวแข็งอยู่กับที่ด้วยความกลัวแล้วในเวลานั้นหมาก็พากันหอนระงมพี่ชายก็พูดในทํานองท้าทายเหมือนเดิมต้นไม้ก็เกิดการสั่นขึ้นอีก ลักษณะเหมือนมีคนมาขย่มอยู่บนต้นไม้ซึ่งในตอนแรกนะคะที่สั่นอยู่แค่ต้นเดียวแต่ว่าเวลานี้ค่ะมันสั่นไปเป็นลักษณะแบบบริเวณกว้างคือสลับต้นนั้นทีต้นนี้ทีพี่ชายก็เลยแปลกใจบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีลมนี่หว่าแล้วต้นไม้มันสั่นได้ยังไงวะ แล้วก็หันไปมองลูกน้องที่ในตอนนี้ก็เห็นว่าลูกน้องเนี่ยได้ถอยห่างออกไปจากพี่ชายในลักษณะเหมือนต่างคนต่างหาเหตุส่วนตัวเขาเองในตอนนี้ก็เหมือนยืนพูดอยู่คนเดียวพี่ชายก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินหาไปเรื่อยๆจนมาถึงกำแพงของวัดป่าค่ะก็เลยคิดว่าคงสุดทางแล้วคงไม่มีอะไรแล้วตะก้าเห็ดก็กําลังจะเต็มแล้วถ้าออกไปก็คงเต็มพอดี แต่ว่าในระหว่างที่กำลังจะเดินกลับ่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยเดินอยู่ด้านหลังในบริเวณนั้นเขาก็เลยส่องไฟไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นแค่กำแพงวัดสีขาวๆนะคะแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบๆ บ, บริเวณนั้นก็เลยส่องไฟไปมาเขาก็เลยมองเห็นท่อนขาท่อนขาหนึ่งเนี่ยอยู่บนกำแพง ท่อนขานั้นเนี่ยดามากๆด้วยความสงสัยพี่ชายเลยส่องไฟไล่จากข้อเท้าขึ้นไปจนถึงขาก็เห็นชัดเจนว่าเป็นกางเกงสแล็กสีดําเก่าๆไล่ลงมาจนถึงท่อนบนนะคะก็เห็นเป็นใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาหมุนๆจะออกเท้าก็ไม่เท้าออกเท้ออกาก็ไม่เทาจนในที่สุดก็พบว่าร่างนั้นเนี่ยไม่มีหัวนะคะแล้วเลือดสีดําก็เริ่มไหลลงมาจากบริเวณลําคอที่ขาดไปด้วยความตกใจจึงส่องไฟขึ้นลงเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันใช่ อย่างที่ตาเห็นหรือเปล่าหรือว่าเราแค่อุปทานหรือว่าเราแค่ตาฝาด ในเวลานั้นพี่ชายเนี่ยยืนขาแข็งพูดไม่ออกจะร้องเรียกลูกน้องก็ไม่ได้ค่ะเหมือนโดนมนต์สะกดได้แต่ใช้ไฟฉายกวักเป็นสัญญาณแทนมือเพื่อเรียกลูกน้องให้เข้ามาช่วยลูกน้องก็วิ่งเข้ามาแล้วถามบอกลูกพี่เป็นอะไรพี่ชายจึงชีไปที่กำแพงนะคะเมื่อลูกน้องส่องไฟไปดูก็พบกับร่างนั้นยังคงยืนอยู่บนกาแพงวัดในลักษณะเดียวกันกับที่พี่ชายเห็นในตอนแรกก็คือร่างไม่มีหัว ทั้งสองคนนี่สติแตกเลยล่ะค่ะปัดตะกร้าที่ใช้ใส่เห็ดทิ้งกระจุยกระจายตัวลูกน้องก็พยายามลากพี่ชายออกมาจากตรงนั้นเพื่อที่จะกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าวัดซึ่งความจริงแล้วก็รถก็จอดอยู่ไม่ไกลนะคะแต่ว่าในความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนไกลมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงพี่ชายออกมาจากตรงนั้นได้เพราะว่าเขายังช็อกอยู่พูดไม่ออกก้าวขาไม่ได้เรียกว่าฉี่รถเต็มกางเกงเลยนะคะ ในตอนนั้นคนที่ดูเหมือนจะมีสติมากที่สุดก็คือเป็นลูกน้องค่ะนาทีนั้นนะคะลูกน้องก็ได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าอย่าถือสากก่เลยแกไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ปล่อยพวกเราไปเถอะหลังจากนั้นนะคะขาของพี่ชายก็เริ่มจะขยับได้ทั้งสองก็พากันฉุดกระชากลากถูกันกลับมาที่รถ ในชั่วโมงนั้นเห็ดที่หากันมาทั้งคืนก็ไม่เอามันละตะก้าที่ถือมาที่มีเห็ดอยู่เต็มก็ไม่เอาและทิ้งหมดเลยนะคะทั้งสองก็พากันบิดรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วขามาพี่ชายเป็นคนขับลูกน้องเป็นคนนั่งซ้อนแต่ในขากลับค่ะพี่ชายต้องนั่งหน้าแล้วให้ลูกน้องขับคอมไปในลักษณะเหมือนหนุ่มสาวนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันในระหว่างทางนั้นเนี่ยพี่ชายก็ตัวสั่นตลอดเวลาด้วยความกลัวเพราะว่าช็อกกับสิ่งที่ได้พบเจอมาจนทั้งสองคนก็ขับรถกัน มาจนถึงบ้านในที่สุดรุ่งเช้านะคะคุณก๊อฟก็ไปตามพี่ชายอยู่ที่บ้านเพราะว่าอยู่ในละแวกเดียวกันเพื่อจะถามหาเห็ุที่ไปเก็บมาก็ไปเจอป้าป้าก็บอกว่าไอออสมันยังไม่ตื่นเลยจะ9้าโมงแล้วก๊อฟเขาก็เลยเดินไปเคาะประตูห้องตอนแรกเนี่ยคือเคาะยังไงก็ไม่เปิด ะะออดเขาก็เลยไปตามแม่มาช่วยกันงัดประตูหลังจากที่เปิดประตูได้ก็มองเข้าไปในห้องนี่เห็นพี่ชายนอนคุ้มโปองอยูอ่คุณกอล์ก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็เปิดผ้าห่มออกสิ่งที่เห็นคือพี่ชายเนี่ยนอนตัวสัน่นแล้วก็อยู่ในอาการตกใจพี่ชายหัวโล้นหมดเลยนะคะเรียกว่าหัวโกรนผมร่วงหมดหัวบนที่นอนมีแต่กลิ่นเยี่ยวค่ะในตอนนั้นแกเหมือนคนที่หลุดไปแล้วในสองสาวันแรกไม่พูดกับใครเอาแต่เพ้ออยู่คนเดียวจนแม่ส สงสัยว่าเล่นยาหรือเปล่าสุดท้ายก็ได้รู้ความจริงจากลูกน้องที่ไปด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้น ในช่วงสองาวันนั้นแม่ก็พาพี่เนี่ยเขาไปทําบุญที่วัดทุกวันจนแกเริ่มกลับมามีสติอีกครั้งแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องที่เจอมาทั้งหมดให้กับพวกเราได้ฟังนะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ค่ะว่าเรื่องนี้เป็นตำนานของหมู่บ้านเมื่อ40ปีที่แล้วคนที่อายุเข้าเลขสีเลขห้าเขาจะรู้กันว่าหมู่บ้านนี้เคยเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นมันมีข่าวฆาตกรรมที่ดังมากในจังหวัดเยโสธรเป็นมาตุคาดค่ะเรื่องก็คือมีครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกชายอีกสองคน ตัวน้องชายคนเล็กเป็นคนที่เกเรไม่เอาฐานทุบตีพ่อแม่เรื่องที่เกิดขึ้นคือตัวน้องชายได้พลั้งมือฆ่าแม่ของตัวเองจนตายพ่อก็เลยเสียใจมากว่าทำไมลูกต้องทำกับแม่แบบนี้จึงพยายามออกอุบายกับพี่ชายคนโตเพื่อที่จะหลอกน้องชายคนเล็กนี่ไปฆ่าทิ้งซะในป่าลึกนะคะแล้วก็ออกอุบายให้ไปช่วยพ่อเก็บฟืนหน่อยในป่าเดี๋ยวจะตอบแทนด้วยสินจ้างด้วยความขี้เกียจค่ะน้องชายก็เลยบอกให้ชวน ชวนพี่ชายไปด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนการเดินทางนี่เขาจะใช้เกวียนตัวลูกชายคนเล็กก็ต้องนั่งอยู่บนเกวียนที่เอาแต่บ่นว่าเมื่อไหร่จะได้รับสินจ้างเมื่อไหร่จะได้เงินตัวพ่อเองก็บอกว่าต้องเข้าไปในป่าลึกกว่านี้ช่วยทํางานแล้วพ่อจะให้ ด้วยนิสัยในตอนนั้นลูกชายก็พลั้งมือผลักพ่อด้วยพ่อเองก็มีความในใจที่มีจุดประสงค์จะจัดการกับลูกชายตัวปัญหานี้อยู่เป็นทุนเดิมจึงบันดาลโทสะค่ะเวียงขวานตัดฟืนที่มีขนาดใหญ่มากไปตรงบริเวณลำคอของลูกทอรพีคมขวานโดนเข้าอย่างจังจนหัวหลุดออกจากบ่านในบัดดลแต่ด้วยความที่ตรงนั้นไม่ใช่จุดที่ตั้งใจจะทําการสังหารตั้งแต่แรกตัวพ่อแล้วก็ลูกชายคนโตก็เลยฝังหัวของลูกชายคนเล็กไว้ตรงข้างๆเกวียน บริเวณนั้นนะคะแล้วก็นำร่างไปฝังไว้ตรงท้ายวัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะร่างไร้หัวของลูกทรพีนั้นกลายเป็นว่ามาอยู่นอกวัดเพราะว่ามีการสร้างกําแพงกั้นในเวลาต่อมาจากตอนนั้นถึงตอนนี้พื้นที่ตรงบริเวณนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเข้าไปเก็บเห็ดเก็บเนอไม้หรือแม้แต่ของป่าอื่นๆเลยจะมีก็แต่พี่ชายของคุณกอ๊อฟแล้วก็ลูกน้องที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะที่กล้าเข้าไป คนบริเวณนั้นเขาก็จะรู้ดีถึงความเฮี้ยนของผีหัวขาดตัวนี้ที่จะออกมาหลอกหลอนคนในวันพระไม่ว่าจะขับรถพานไปเก็บเห็ดหาของป่าก็จะมีคนเจออยู่บ่อยๆจนคนแถวนั้นเนี่ยขยดมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมเห็ดบริเวณนั้นถึงขึ้นเยอะกว่าบริเวณอื่นหลังจากวันนั้นพี่ชายก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็กลายเป็นคนกลัวความมืดไปเลยค่ะไปไหนมาไหนค่ำค่ำมืดๆแถวบ้านนะคะแกก็ต้องรีบกลับแกบอกว่ากลัวผีหัวขาด ทั้งๆ ท, ที่บ้านของเรากับหมู่บ้านนั้นห่างกันตั้ง 4-5 ถึงกิโลเมตรด้วยซ้ำและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการของเราอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์กันได้ใน Channel พระเจอผีนะคะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ